มงคลชีวิตมงคลที่24ความสันโดษสันตุถีจะเอตามังคัลมุตตมังความสันโดษชื่อว่าสันตุถี หมายถึงความพอใจในปัจจัยสี่ตามมีตามได้ที่หามาด้วยความเพียรอันชอบธรรมลักษณะของผู้สันโดษ 1. ยินดีตามที่ได้หรือยะถาลาภสันโดษคือเพียรหาสิ่งใดมาได้ไม่ว่าจะยาบหรือประนีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจ ไม่ติดใจยอยากได้สิ่งอื่น 2. ยินดีตามกำลังหรือยะถาภละสันโดษคือยินดีเพราะเหมาะแก่กำลังร่างกายสุขภาพและจำเป็นในการใช้หากสิ่งใดไม่ถูกกับสุขภาพก็ไม่ฝืนพร้อมสละให้ผู้อื่น 3. ยินดีตามสมควรหรือ ยะถาสารุ ป, ปรสันโดษคือยินดีตามที่เหมาะกับสถานะและจุดหมายของการบำเพ็ญกิจของตนเช่นได้ปัจจัยสี่ที่มีค่ามากเห็นว่าเป็นสิ่งสมควรกับผู้ทรงคุณมากกว่าก็มอมให้ท่านไปเป็นต้นผู้สันโดษได้สามลักษณะนี้เป็นผู้ควรยกย่อง พึงมุ่งหน้าจเจริญกุศลชั้นสูงต่อไปเพื่อความหลุดพ้นชอบตรัสสอนให้สาวกสันโดษในปัจจัยสี่แต่ไม่ให้สันโดษพอใจเพียงในกุศลธรรมขั้นต่ำที่ตนบรรลุแล้วเท่านั้นรม ท, ที่เป็นปฏิปักษ์กับสันโดษศัตรูของสันโดษได้แก่ตันหา เพราะตัญหาจะไม่ให้ประพฤติในสันโดษโดยอาจแสดงออกในรูปของความเกลียดคร้านติดอยู่กับสุขเวทนาที่กำลังเสพอยู่ไม่อยากพลากจึงไม่ยอมแบ่งปันแก่ใครๆเป็นต้นความสันโดษจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ 2. ไม่มีผู้เดือดร้อนเพราะความปรารถนาเกินของเรา 3. ทํทำให้ไม่เกิดบาปอันเกิดจากความปรารถนาเกินประมาณ 4. มีความก้าวหน้าไปในกุศลธรรมตามลำดับตั้งแต่โลกียกุศลจนถึงโลกุตตรกุศล